บทภาชณีติกาปาจิตตีหนึยยี่สวิหารของสงฆ์ภิกษุสําคัญว่าเป็นของสงฆ์เข้าไปนอนแทรกแซงต้องอบัตติพาจิตตีวิหารของสงฆ์ภิกษุไม่แน่ใจเข้าไปนอนแทรกแซงต้องอบัตติพาจิตตีวิหารของสงฆ์ภิกษุสําคัญว่าเป็นของส่วนบุคคลเข้าไปนอนแทรกแซงต้องอบัติปาจิตตีทุกกฎ ภิกษุปูหรือใช้ให้ปูที่นอนเว้นอุปจาร์เตียงตังหรือประตูเข้าออกต้องอบัติทุกกดภิกษุนั่งหรือนอนต้องอบัติทุกข์กดภิกษุปูหรือใช้ให้ปูที่นอนในอุปจารวิหารในโรงฉันในมณฑบที่โคนไม้หรือในที่กลางแจ้งต้องอบัติทุกกดภิกษุนั่งหรือนอนต้องอบัติทุกกดวิหารส่วนบุคคลภิกษุสำคัญว่าเป็นของสง์ต้องอบัติทุกกดวิหารส่วนบุคคลภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัติทุกขกด วิหารส่วนบุคคลพิกูุน์สำคัญว่าเป็นของส่วนบุคคลต้องอวัถุกกฎเพราะเป็นของส่วนบุคคลของผู้อื่นวิหารเป็นส่วนบุคคลของตนไม่ต้องอวบ